ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุยประชายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับรุนในทุวันพุทธเป็นช่วงของตายรมพอิบทเรามาฝึกทมจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งทำบุฟังเราไปฟังหัวข้อเรื่องของกรรมคือการกระทาที่ทำด้วยเจตนา ว่ามีนยยะอย่างไรในตอนนี้เรามาสร้างกรรมดีด้วยการตั้งเจตนาไว้อย่างดีด้วยการมาระลึกนึกถึงสิ่งดีๆในที่นี้คือมาระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือพุทโทรธรรมโมสังโฆอันเป็นสาระคือที่พึ่งอันสูงสุด จนเขายกให้เป็นรัตนะคือแก้วอันประเสริฐที่ที่จะให้จิตของเราแล่นไปสู่แล่นไปถึงยาที่เรามีอันตรายกลัวตกใจหรือกังวลในเรื่องใดก็ตามเตมูฟังยาพึ่งไปนึกถึงสิ่งอื่นเรื่องอื่น เช่นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาเงินทองมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องงานจะมานึกว่า hey, เฮ้ไปหาหมอคนนี้จะพึ่งอายการคนนั้นหรือตำรวจคนโ น, น้นหยุดยุ ด, ย ด, ยดมันไม่แน่เพราะว่าที่พึ่งเหล่านั้นอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในที่นี้เรามาฝึกทำจิตของเราทฝังให้แทนที่จะคิดนึกถึงสิ่งอื่นเรื่องอื่นไม่เอานัตถิเมสรนังอัญังที่พึ่งอื่นที่จะให้จิตของเราเล่นใบนี่อย่าพึ่งพุทโธเมสรนังวรังให้จิตของเราเล่นใบนึกถึงพุทโธสะกกันทำโมด้วยสังโฆด้วย นึกถึงพุทธโธธรัมโมสังโฆนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์นึกถึงสามอย่างเหล่านี้ก่อนทำไมเพราะเวลาที่เรามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่เล่นไปสู่ของจิตของเรา เราจะคลายความกังวลเราจะคลายความกลัวเราจะคลายความขี้เกียจเราจะคลายสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมจากจิตใจของเราไปได้อย่างน้อยก็นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งมันก็ลดลงนะลดลงได้นิดหนึ่งมันลดลงได้เพิ่มอีกมันลดลงได้ต่อไปอักุกศล สิ่งที่เป็นกุศลธรรทมคือสติเราเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งจากการที่เรามานึกถึงพุทธโทธธรรมโสงโกกุศลเพิ่มได้หน่อยหนึ่งมันก็เพิ่มได้อีกหน่อยหนึ่งนะอ่ะกุศลลดกุศลเพิ่มนั่นเป็นสัมมาวายามลาะเรามีสติอยู่กับพระพุทธประธรรมประสงนั่นก็เป็นสัมมาสติละเรามานึกถึง สิ่งที่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดไม่ไปนึกถึงเรื่องรางของขังภูเขาท้องฟ้าต้นไม้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่แต่รู้ถึงว่าอะไรเป็นที่พึ่งอันสูงสุดใช่นั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิละมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําหน้าดันมาด้วยสัมมาวายามะและสมาสติอย่างที่เราตั้งไวน้นี้เวลาเราจะคิด พูดหรือกระทําอะไรนะทุกังนะโดยสามอย่างนี้เนี่เป็นมงคลแล้วเลยจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือด้วยความที่เรามีใจิตใจสบายเนี่ยจะทําให้เราสามารถจะเห็นเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่เห็นด้วยปัญญามีสติแล้วปัญญามันจะเกิด แต่ถ้าสติไม่มีกำลังมันก็จะไม่เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนมันจะขมุกขมวมามันจะมึนมันจะตึงมันจะไปไม่ถูกไปไม่เป็นไปไม่ชัดวนกลับมาที่เก่าอีกเสียเวลาเปล่าๆแต่ถ้าเรามีพุทโทธธรรมโมสังโฆจิตใจเราจ่ใสเบิกบานร่มเย็นจะค่อยๆเปลี่ยนจากอากุศลไปเป็นกุศลได้ ในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีกุศลเลยเมื่อทีมันก็มีความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจความหงุดหงิดความโกรธความเศร้าหมองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อันนี้ธรรมดาพอเรานึกถึงพุโทโธธรรมโมหรือสังโฆไม่ใช่ว่าอกุศลแล้วรําเหล่านั้นมันจะหายไปชับเลยเมื้นที่มันจจะยังอยู่แต่น้อยพลังอํานาจที่มันจะดึงจิตเราให้ เือกลัวเหลอเพลินไปตามนั้นเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรเพราะกําลังของสติสติตรงไหนสติคือการระลึกได้ระลึกถึงอะไรพุทโธธรมโมสังโฆไงความที่เรามานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอสติตรงข้ามกับความลืม สติตรงข้ามกับเผลอสติถ้าเราไม่เผลอสตินั่นคือเราไม่เปลินไม่เปลินก็คือไม่ลืมไม่ลืมก็คือจำได้จำอะไรพุดโธได้ถ้าลืมมันจะกลายไปเกลือ ก, กลัวเผลอตามอารมณ์แล้วจิตเราไปทางไหนนะธรรมบุญฝังสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีพลังขึ้นมา แต่จิตเราเผลอไปตามอารมณ์ความกลัวบ้างความกังวลบ้างความกลัวความกัววมกวงวลยิ่งอ่อนเปลังสูงแต่ถ้าเราไม่เปลอไม่เปลนไปตามความกังวลความกลุ่มใจเรื่องราวต่างๆแต่ให้จิตเราตั้งอยู่กับพุทโธเป็นต้นเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นนะจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนเปลังนะจำฝัง พอเรามีสติคือไม่ลืมมีสติคือไม่เผลอมีสติคือไม่เปลิคปลนความเผลอเปลินที่จะไปตามอารมณ์นั้นลดลงจิตเราคล้อยเคลื่อนไปทางไหนลดลงพลังของสิ่งนั้นก็เบาบางไปไอ้ความกังวลจากโรคภัยไข้เจ็บความกลัวจากสิ่งบายนอกความคิดประสาทบ้าบอรเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไม่ให้กําลังกับมัน มันก็อ่อนกำลังลงตมฝังอ่อนลงอ่อนลงรักษาสติไร้ดีให้ดีเพราะเราไม่ไปรู้ถึงสิ่งนั้นจากการที่เรามานึกถึงลมเห็นก็ไม่มองได้ยินก็ไม่ฟังคิดถึงก็ไม่สนใจไปตามเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้สึกนึกคิดก็สักแต่ว่ารู้สึกนึกคิดจิตอยู่กับอะไร สติไงรูปคือภาพที่เห็นมันก็เพียงภาพเฉยจะเห็นได้ด้วยตามันไม่เข้าถึงใจเสียงที่ได้ฟังก็เป็นเสียงเฉยๆผ่านทางหูไม่ได้ว่าจะเข้าสู่จิตความคิดนึกอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาเป็นความคิดโนม่เข้าสู่จิตของเราไม่ได้เพราะสติเราทาไมาตั้งเอาไว้ไม่ลืมไม่เผลอไม่หลง มีสติสติคือความที่ระลึกได้จิตแยกกันกับสิ่งภายนอกแยกกันกับสิ่งที่เห็นแยกกันกับเสียงที่ได้ยินแยกกันกับความรู้สึกนึกคิดต่างๆเวลาเรามีสติตั้งไว้แล้วความกังวลใจอะไรต่างๆเบาบางลงแล้วจิตของเราจะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลง ระงับลงจนเป็นอารมณ์ันเดียวพอที่เราเป็นอารมณ์ันเดียวแล้วต่อฟังเราใช้จิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวตรงนี้แหละในการที่จะค่อยใครใูค้เห็นสิ่งต่างๆอะไรต่างๆไปสมาธิเนี่ยเป็นกรรหนักนะเป็นกรรหนักฝ่ายบวกให้เรารักษาสมาธินี้ไว้ให้ดี เอาละต่มาฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วที่ท่านได้กำหนดบทปยัญชนะด้วยความรบอบคอบประคุมไม่ละหลวม มีความหมายที่ลึกซึ้งสามารถให้เกิดนำไปใช้ทำปฏิบัติเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ดั น, นนี้ท่นั้นสิ่งที่มีประโยชน์นั้นมันยึดถือได้หมดนะตฟังนะจิตใจของมนุษย์นี่สามารถยึดถือได้แม้ทุกสิ่งอย่างที่ว่าแม้สิ่งนั้นจะดีขนาดไหนก็ตาม แต่ได้ยึดถือแล้วความยึดถือนั่นอนะ่ะเหมือนไม่ดีมันพาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นได้คือเราจะคิดว่าเฮ้ยการที่เรามาศึกษาเรียนปฏิบัติตามมรรคแปาท่านบอกว่ามรรคดนี่จะทำให้ความยึดถือมันลดกดใช้ตัวฝังจริงอยู่ปฏิบัติตามมรรคดนี่ ความยึดถือมันถูกตัดออกไปแน่ถ้าทำถูกต้องไงถ้าทำตามนั้นจริงๆไงแต่ถ้าแค่แบบว่าจำได้มันยังไม่ใช่ว่าเข้าถึงจิตใจบางคนเข้าใจแล้วอะแต่ไม่เข้าถึงไม่สามารถนำมักแปดที่ท่านบอกมาสอนมาไปใช้ไปทำได้จริงจึงในตู้บรรพุตมฟังรายการธรรมารบปุ์ ในช่วงของต้ร่มปฏิบทตัปปชาจึงให้มีการทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนให้จิตสงบนุ่มเย็ น, อ, นอ่อนเหมาะสามารถที่จะนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติเข้าไปใช้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างดีได้เดี๋ยวนี้เป็นอปพิโซดที่3ในซีรีส์เรื่องของกรรมเป็นซีรีส์ที่จบ ในตอนแต่และตอนก็จะมีเนื้อหารายละเอียดที่เราควรจะต้องทราบทำการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบของกรรมซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของเสี้ยวเรื่องนี้คือเรื่องกรเนี่ยทังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นหลักใหญ่ ที่เรามาศึกษาปฏิบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นคุณพระวติที่ต้องการจากพ้นจากกรรมนี่แหละคือมันทั้งบวกและลบทั้งดีและชั่วทีนี้ว่าแม้แต่ทาไมคําสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้านี่มันจะว่ามากก็ไม่มากนะแล้วก็ถ้าไม่สําคัญก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสำคัญมากๆเลยนะ เออแต่ว่าทำไมไม่ได้สอนไปมากเหมือนกับอย่างเรื่องของมงคลอย่างเงี้ยนะเรื่องของมงคลนี่เราฟาดกันไปสามสิบแปสามสิบเกตอนนี่เลยนะตัะ้งบวชสี่สิบตอนด้วยซ้ําว่ากันไปครึ่งปีเลยเรื่องของมงคลสามสิบปประการแต่ทําไมเรื่องของกรรมดูดิด ว, ว่าแบบสามสี่ตอนแล้วก็จบละคืออันนี้มันก็ต้องแยกแยมาจากตรงนี้ก่อนตั้งบวว่า เรื่องของกรรมถ้าเรามาเปรียบเทียบกับยุคตัวอย่างเช่นเรื่องของมงคลชีวิตเนี่ยนะเรื่องของมงคลชีวิตนี้นะรงงนพระพุทธิจ้าท่านเทศไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็มีครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาเช่นท่าพระสิริมังคลาจารย์เป็นต้นที่ท่านได้แจกแจงอธิบายหัวข้อเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดโดยยุก ประสูตรบ้างอัตถคถาบ้างดีกาอนุดีกามาทำการอธิบายศัพท์อธิบายความหมายมีนิทานประกอบพอมีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเพิ่นได้อธิบายแจกแจงไว้เลยมันก็จึงมีเนื้อหาให้เราได้ศึกษาครับพระเจ้าก็แยกแยก้ายระมาฟังฟังลว่านี่คือส่วนที่เป็นบุทธพจนาะมมีแค่นี้นะส่วนที่เป็นอัตถกถานะ มีเท่านี้ดีการเป็นอย่างงี้นิทานเรื่องนี้มาประกอบก็มันจึงแจกแจงได้มากมายส่วนในเรื่องของกรรมนี่มันแตกต่างกันในประการที่หนึ่งตรงนี้ว่าคือไม่ได้มีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆรุ่นก่อนๆ น, น, น, นี่ก็ประชาหมายถึงในรุ่นของประบาลีที่จะมีการแต่งตำราคำเพียไว้คือมีก็อยู่ในสมัยร่วมสมัยกันเนี่ย รวมสมัยกันกองร้อยสองปีเนี่ยมีหนังสือเรื่องกรรมออกมาเยอะอยู่แต่ว่าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เบสจากหรือมีพื้นฐานมาจากในพุทธพจน์หรือว่ามีที่อ้างอิงมาจากในพระไตรปิฎกอย่างไรอย่างไรหรือคัมภีร์ในรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่มีที่จะเป็นกลบเป็นกรรมขึ้นแบบนั้นก็จะมีอธิบายไว้ย่อนหน้าหนึ่งสองย่อนหน้าตรงนั้นตรงนี้ เราก็อาจจะสอนบอกกันในเรื่องของอภิธรรมถึงถ้าพูดเรื่องอภิธรรมแล้วมันก็จะเยอะใหญ่ยากแล้วก็มีมากแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไปโยกไว้ก่อนแล้วในประการที่สองดูฟังที่เป็นประการที่สําคัญสําหรับในเอพิโซดนี้ก็คือว่าเรื่องของกรรมเนี่ยนะมันเป็นลักษณะว่าเป็นอาจินไตคําว่าอาจินไต มาจากคาว่าอ่ะคือไม่ใช่ไหมโบ ก, กับจินตยะคือคิดยาคิดเอานั่นดีเราทำไมว่าไม่ให้คิดอราสอนทำไมเพราะว่าถ้าคิดมากลงไปเนี่ยมันจะไม่ใช่วิสัยของปุถุชนที่จะให้เข้าใจถึงหลักการได้อย่างสมบูรณ์แล้วมันก็จะท่านบอกว่า จะเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนนะ่ะนั่นคือเรื่องกรรมวิสัยคือวิสัยกองกรรมในกนนีคือเรื่องวิบากหมายถึงผลเหตุผลผลเหตุเหตุผ ล, ผ ล, ผ, ลผลเหตุนะคือจะให้เกิดผลอันหนึ่งเราก็ต้องสร้างเหตุอันหนึ่งใช่มมีเหตุแบบหนึ่งมันก็เป็นผลจากอันก่อน ผลอันนี้มันก็มีเหตุมาจากอันก่อนใช่มีเหตุนี่กรตุ้งสร้างผลมาเป็นผลของอันก่อนมาแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวมันมีหลายอย่างทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเรื่องของวิบากหมายถึงผลของกรรมเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะถ้าเมื่อบุคคลหมายถึงปุุชนคิดนี่จะพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนแล้วทำไม สอนให้เชื่อสำมะทิธิว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำดีมีคำชั่วมีคนนี้ไงล่ะมันเหมือนกับย้อนแย้งกันใช่ไหมล่ะห น, นึ่งบอกให้เชื่ออีกอันหนึ่งบอกอย่าคิดเอาแล้วจะให้เชื่อโดยไม่คิดเอ า, อา ง, งิ่งงมงายหรือเปล่าหรือถ้าจะคิดเอากขาบอกว่าอย่าคิดอีกแล้วะใช่เชื่อได้ไงหรือจะไม่เชื่อเลยงงๆกันไปตั้งมฟัง แต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องสับสนไม่ใช่เรื่องย้อนแยงแต่เป็นเรื่องที่มีความรักขุมของประปุราชาตเลยตั้มฟังคือเตือนไว้ไงให้ระวังสิ่งใดดีมีประโยชน์มันมีโทษเสมอนะให้ระวังระวังอะไรเคสมากมายเลยตั้มฟังทำดีดีมาตลอดตักวันนี้เรายังงงกันอยู่ คนดีดทาไมไม่ได้ดีจะไบคนไม่ดีไม่ดีทำไมมันร่ารวยมีเงินทองมีชื่อเสียงแท้เออมันงงมั้นะเ อ, อ๊หรือว่าทาดีมาทั้งชาติพอตายไปกลับไปลงนรกอีกคนทําไม่ดีมาตลอดเอาทำไมไปขึ้นสวรรค์จนคนเ้าง ง, งเขาคิดกันว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนเออทําชั่วได้ดีมีสมไปเออ เมื่อไคนชั่วมันจะได้รับกรรมคือผลของเขาให้กรรมติดจรวดแม้แต่ฉันทําความดีทําความช่วยนิดหน่อยโอ้มันได้ผลดีได้ผลเร็วแท้ดีนี่คือเร็วนะไม่ใช่ว่าดีนี่คือสุขแต่บางคนกลับได้สุขในขณะที่ทําชั่วก็เลยงงๆกันอย่างมากตัว่างวันนี้จะมาเคลียร์ทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันที่ท่านกล่าวไว้บอกว่า วิบาเหงำคำคือผลเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนเพราะมันลึกถึงมันให้ผลเนี่ยที่ท่านอธิบายไว้กับประชาชนะมาพูดในสัปดาห์ก่อนกนี่ก็แค่ว่าให้ผลในเวลาต่อมาให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกก่อนหน้านั้นก็ให้ผลในเวลาปัจจุบันนี่มันก็ก็มีแค่นี้ มันมีแค่นี้สิ่งที่เป็นอัตระกถตาอธิบายไว้ก็แจกแจงออกมาเป็นเรื่องของกรรม16ซึ่งวันนี้จะได้พูดถึงนี่แหละนะเรื่องของกรรมส6หเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมไม่ให้คิดมากเพราะว่าถ้าคิดมากมันจะปวดหัวสู้เอาเวลาไปใช้ในการจัดการมันโดยไม่ต้องคิดถึงผลก็ได้ เวลาที่เราศึกษาในคำสอนนี้จะต้องมีความรัดคุมธรรมชาย้ำานักย้ำหนานะวังนะสิ่งที่พอเราไม่รัดกุมรอบครอบแล้วแล้วเราทำไปปฏิบัติไปนี่มันจะผิดพลาดเช่นในความเชื่อที่มักจะมีกันว่าทำกรรมอย่างไรก็จะได้กรรมอย่างนั้นอันนี้มันไม่ถูกแล้ว ออกมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกฝังเรื่องนี้เราพูดกันไปในเ so อพิส od กันก่อนสามีครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าทํากรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นแต่ทํากรรมอย่างไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นเกลือกับความเค็มของมันเป็นคนละอย่างกันเกลือก็เป็นเหตุความเค็มก็เป็นผลแต่มันก็อยู่ที่สารละลายสารประกอบที่เอาไปละลายนั่นด้วยอ่ะเห็นไหมว่า มันมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นเข้ามาเป็นเหตุทำให้ตัวแปลคือผลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เพิ่มได้ตัดรอนได้สนับสนุนได้หรือบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอื่นๆนี่คือให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของกรรมสบกอย่างในวันนี้ประการที่หนึ่งคืออาจินไต่ว่าผลของกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่ควรคิดเพระาะว่าจะเป็นบ้าให้ไม่คิดไม่ใช่ว่าให้ไม่เชื่อให้เชื่อหมายถึงให้มีปัญญาในข้อนี้ประกอบด้วยปัญญานะหมายถึงสมา ท, ทิในเรื่องกรรมดีคำชั่วใช่ปะแล้วก็ให้มีความระมัดระวังในการที่ว่าเธอจะคิดเรื่องนี้อันตรายเพราะว่ามันมีตัวแปรมีปัจจัยหลายอย่างเรามาเปรียบเทียบดูกับ ในหัวข้อของเรื่องอาชินไตเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ เ, เรื่องของกรรมเช่นว่าวิสัยของผู้ใด้ฌานวิสัยของพระพุทธเจ้าหรือความคิดเรื่องโลกอย่างพระพุทธเจ้าจะมีความพิศดารมีความพิเศษอะไรต่างๆอย่างมากมายเนี่ยรวมถึงวิสัยของผู้ใด้ฌานที่แสดงฤทธิ์อะไรต่างๆได้ที่มีความพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไป ซึ่งแต่เราพยายามจะเข้าใจด้วยความธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเราจะมึนเลยเราจะงงเลยแล้วความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้เสื่อมศรัทธาไปเพราะเสื่อมศรัทธาด้วยความไม่มีปัญญามันก็จึงทำให้ไม่เกิดการปฏิบัติไงเพราะนั้นเอาหยุดไว้ก่อนแล้วกั น, นถ้าจะคิดแล้วทำให้เสื่อมศรัทธาก็อย่าเพิ่งคิดให้มีศรัทธาก่อน มีศรัทธาแล้วมีปัญญาสูงเพียงพอเออเราถึงจะมาเข้าใจได้ว่าวิสัยของผู้ได้ฌานเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้พอเรามีศรัทธาแล้วมีปัญญาสูงเพียงพอจึงจะทำให้จิตใจนั้นมันไม่ตกล่นไปในความคิดวิสัยของเรื่องโลกหรือมีความเข้าใจในเรื่องของครรมอย่างผิดผิดพอเรามีศรัทธาลงมือทำแล้วเพิ่มพูนปัญญาเพียงพอ นั่นคเป็นทางที่ให้เกิดวิสัยของผู้ใดชาญโดยช้ําเพราะผู้ใดชานั้นคือมีสมาธิมาแล้วเกิดเป็นปัญญาสร้างวิชาแปดอะไรต่างๆได้นั่นเป็นวิสัยของผู้ใดชาญโดยตรงเลยคือให้เกิดผลขึ้นเห็นแจมแจ้งแก่ตัวเองคือทําแล้วได้ผลเองเลยไงตัวเองเป็นผู้วิสัยของผู้ใดชาญ น, นั้นเลยตัวเองเป็นผู้ผลจากกรรมนั้นเลย หรือเป็นพุโทโธเลยก็คือจะไม่ได้มาต้องสงสัยล่ะอุปมาเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยนํามาให้ฟังในเรื่องของจายเสนราชกุมารที่ไม่เข้าใจได้เลยว่าทําไมคนมาถึงจะมาทําสมาธิได้มันไม่น่าจะมีหนะ้าที่ตนบอกว่ามีปีติมีสุขจิตเป็นอุเบกขาได้ตลอดไม่มีหรอกเอ๋อได้อ่านให้ฟังไปนะเมื่อสัปดาห์ก่อน เออเหมือนคนปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาโอ้ oh, oh, เห็นวิวทวิวทัศสวยงามไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างล่างนี่วะโอ้ oh, oh, มันจะไม่มีได้งไงคุณมัวหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบนยิงผมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ oh, ยโอ้ยไปจับมือเขาเดินลากขึ้นมาให้หายเหนื่อยเสร็จแล้วมองไปทั่วๆจะเห็นอะไรโอ้ oh, oh, เห็นเองรู้เองมันจะรู้ถ้าคิดอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจินตนาการไม่ออกนะนี่คือหมายถึงตรงนี้แล้วความเดือดร้อนปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือ ไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติโดยความสงสัยเคลือบแคลงเห็นแยงนี เ, เกลียบแล้วนะเรื่องอาจจินไตยยังต่อมาอีกตำรวจฟังเป็นการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะอธิบายเรื่องกรรมสิบหให้ตำรวาังได้เข้าใจนคือประการแรกว่าให้มั่นใจเพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติตามเส้นทางแล้วจะมีปัญญา สามารถคิดได้ว่าที่ให้เชื่อนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงทัดมาอีกประการที่สองนั้นที่มักจะมีความเชื่อความเข้าใจไปว่าเออสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตฉันเนี่ยเป็นสิ่งทั้งหมดมาจากการกระทำที่ทำไม่ในปางก่อนเกิด อ, อ, อะไรก็กําเก่าไง ในความเชื่อที่ว่าเเกิดมาใช้ครรมเกิดมาใช้คำรรเนี่ยคาพูดนี้เลิกพูดไปได้เลยต่วนฟังคือขอให้เอาอยังลบเนี่ยมันลบออกจากในหลืบสมองออกไปเลยแล้วก็อย่าพูดคำนี้อีกถ้าพูดคำนี้อีกเนี่ยก็จะแสดงถึงปัญญาของตนเองว่ามันมันน้อยนะท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมารา บ, บรลุนแล้วเนี่ยต้องมีความรัดกลุ่มรอบขอบนะต้องประกอบด้วยปัญญานะ เราพูดว่าเออทุกอย่างเป็นกรรมเก่าทั้งหมดคุณบุญย่งนี้ไม่ถูกเราเกิดมาใช้กรรมคำพูดเนี่ยมันไม่รัดกลุ่มละลวมลวพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ก็บันทึกมาในอังกุตระนิกายอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสิวกะสูตรนี่ยแรกเป็นคําถามที่นายสิวกะนี่ยไปถามไว้บอกว่าโอ้เนี่ยสุขทุกข์เกิดในชีวิตผมนลยครับท่านคือบางคนเนี่ยก็บอกว่า เกิดจากกรรมเก่าทั้งหมดทั้งมวลเลยนะนะจากเหตุหมายถึงการกระทำใช่ไหมแอคชั่นนี่คือกรรมนี่แหละนะที่ได้ทำไว้ในปางก่อนนี่โอ้เข้าใจนี่ผิดเลยคนละเรื่องเลยแล้วถ้าไปเที่ยวพูดว่าเออพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมแล้วก็สอนอย่างนี้แหละเนื้อเก่านะโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยทขาหม เราอยังไม่ต้องพูดถึงว่าที่ถูกหรือที่มันควรจะเป็นเป็นยังไงสมมติว่าให้ที่เขากล่าวมาเนี่ยมันถูกใช่ไหมสุขหรือทุกข์ของเราหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอ่ะคือก็เรียกว่าผลเนี่ยแหละนะเพราะว่าผลอะไรที่มันจะเกิดขึ้นน่ยมันก็รวมลงในสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่แหละอนะชันบอกคุณไปกินอาหารอร่อยอันนี้ก็เป็นสุขคุณไปกินอาหารอร่อยแล้วก็เจอเส้นผมอันนี้ก็เป็นทุกข์คุณไปกินอาหารอร่อยเจอเส้นผม ตอนกินอิ่มแล้วเอาเขาลดราคาให้หนูไม่เก็บเงินเลยเงี้ยเอิ่มก็พอดีได้ก็เป็นอาทุกขมสุขคือทุกทุกอย่างที่เราได้รับจะฟังเสียงดมกลิ่นอะไรผ่านทางอเยตนาเนี่ยมันมารวมลงในเวทนาสุขทุกขหรือไม่อาจจะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขก็รียว่าอาทุกขกมสุขคือแบ่งง่ายๆสามอย่างในสามอย่างเนี่ย เราบอกว่าถ้ามันจริงนะมันจริงว่าเกิดจากเหตุที่ได้ทำไวในปางก่อนทั้งหมดเลยถ้าสเต t เมนต์คำพูดความเชื่อทิฏฐิความเห็นความเข้าใจนี้จริงจะปะมันจะใครจะพ้นทุกได้อ่ะการพ้นทุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะตูฟังเราจะประพฤติประมาจันปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตาไปได้ทำไปเพื่ออะไรมันจะไม่ได้นะตฟัง เพราะอะไรอ่ะเอาคนที่คุณได้สุขอยู่มันเกิดจากการกระทําอดีตไงทําไปในปางก่อนมันมันไม่ใช่มันจะไม่จริงนะ่ะจริงถ้าจริงมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะเอาคนที่มานั่งสมาธิตอนนี้กับฉันนั่งได้นั่งสมาธิมาก่อนแล้วโอ๊ยเมื่อก่อ น, นฉันไม่เคยนั่งสมาธิเลยณนะตอนที่จะก็อนไปนั่งสมาธิมันก็จะเป็นไปอย่างนี้มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยไงี้ยงระว่าแต่ที่ถูกเป็นยังไง เนท่านบอกกับสิวะกาวไว้หนูบอกว่าเีทนาบางอย่างเอาแยกเป็นส่วนๆก่อนแล้วกันนะทุกฝังนะก็จะเรื่องของในร่างกายนี่สี่อย่างก่อนก็้คือน้ำดีน้ำดีคือระบบการย่อยอาหารซึ่งรวมถึงระบบเลือดด้วยอย่างที่สองคือเสมหักเสมหันี่หมายถึงระบบน้ำเหลืองและสามลม รวมนี่หมายถึงระบบทางเดินหายใจแล้วก็รวมถึงระบบเลือดด้วยคือระบบเลือดมันก็แบ่งกันระหว่างระบบการย่อยอาหารด้วยแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วยคือมีส่วนที่เป็นน้ําดีอยู่ในเลือดมีส่วนที่เป็นลมก็อยู่ในเลือดด้วยแล้วก็ระบบน้ําเหลืองนี่คือสามเหตุหลักๆและอย่างที่สี่นั่นก็คือทั้งสามอย่างรวมกันบอกว่า ให้เกิดสุขก็มีให้เกิดทุกข์ก็มีให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีมันไม่ใช่เรื่องของกรรมที่ได้ทำไวในปางก่อนปางก่อนหมายถึงชาติแล้วก็ชาตินี้เป็นอย่างเงี้ยคุณกินอาหารแบบนี้เข้าไปกินเผ็ดมันก็รู้สึกร้อนกินน้ําแข็งก็รู้สึกเย็นอันนี้คือระบบภายในสี่อย่างแล้วอย่างที่ห้าที่6และที่7ด เนก็มาจากภายนอกพรามที่อนั้นคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤ ด, ดูกาลเช่นอากาศร้อนเราก็รู้สึกร้อนโดยเป็นทุกเป็นทุกอากาศสบายสบายเออเราก็รู้สึกสบายเ อ, อก็เป็นสุขเป็นสุขอากาศหนาวโอ้หนาวก็ดีโอ้หนาวเ ก, ก, กินไปก็ไม่ดีก็เกิดจากฤ ด, ดูกาลเปลี่ยนแปลงไหนกรรมเกา่าโอ้ให้ฉันต้องมาเกิดในที่นี่เอา้าคือเหมาอย่างนั้นไม่ได้ พูดแล้วมันจะมีความไม่รักกลุ่มเราจะแสดงถึงวุธิภาวะทางปัญญาของเราให้กล่าวให้ถูกต้องตรงฝั่งว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรดูการก็มีอย่างที่6นั้นเกิดจากการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอเช่นว่าถ้าเราไปออกกลาลังกายเกิดแบบเดินพลิกอ้าวท้าแปลงโอ้เท้าแปลงโอ้กำกาวกำกาฉันเจ็บเขาเนี่ยฉันเจ็บขาเนี่ย โอ้โมันก็เกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอจะไปโทษกรรมเก่าอย่างเนี้มันไม่ใช่ถ้าใครเป็นตัวกรรมเก่านี่นะโอ้ยคำบรรยาว่าเขาคงจะเสียใจนะอะไรแล้วก็มาลงที่เขาเนี่ยคูจะนึกน้อยใจยอยู่เงินนะว่าอะไรก็เป็นความผิดของฉันเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็ได้นี่ก็ดีหกหรือเกิดจากการถูกทำร้ายก็มีถูกคนอื่นทํำร้ายโอ้ฉันถูกนักเลงหน้าปากซอยมัน พูดทิ่มแทงโอ้ยเนี่ยถ้าคงเป็นกรรมเก่าเนี่ยมันเป็นกู้เวนกันมามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ท่านฟังเพราะบางทีมเป็นกรรมของเขาเองที่เขาเลือกที่จะกระทำเองตัวองพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเราบอกเออมีเทวทัศน์เป็นกู้เวนเอ๋อแล้วท่านไปผูกเวนอะไรกับเขาอ่ะไม่มีนะมีแต่เทวทัศน์ผูกแล้วเทวทัศนนี่ยก็ไปทําร้ายพระพุทธเจ้าในใช่ก่อนๆ อ, อยู่เป็นประชามนั่นก็เป็นกรรมของเ้าเองเป็นกรรมของเ้าเอง เราบริจา ก, ก็ถูกกระทําถูกกระทำเราบอกนี้เป็นกรมกกรมเก่ากรรมเก่าคือเหมาอย่างนั้นมันไม่ถูกเลยตม้งบทฝังเกิดจากการถูกทำร้ายก็มีในข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่8ปดตัวนั่นเองที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่านี้ก็ไม่ใช่ว่าการกระทําอันนั้นนะแต่เป็นผลของกรรมที่ได้กระทําไว้แล้วเกิดจากผล น, นั้นก็มี ถูกต้องทุกฝังว่ากรรมเก่าให้ผลมีแน่แต่อย่าเหมาทั้งหมดมันแค่หนึ่งใน8อย่างเท่านั้นเองที่จะให้สุขทุกหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขในชีวิตของเรานี่คือส่วนที่เป็นพุทธโบ์นะสองประการสำคัญเรื่องของอาจินตายแล้วก็เหตุในการที่จะมีเวทนาเกิดขึ้นตามนัยะของสีวกาสูตรให้ข้อมูลทัมดฝั่งนี้ก่อน เพื่อที่จะมาอธิบายถึงเรื่องของกรรม16อย่างเพราะว่ากรรม16อย่างนี้ก็จะมีพื้นฐานมาจากเรื่องของระดับการให้ผลนี่แหละและประการที่3ที่ได้กล่าวไว้ในเอพิโซดที่แล้วคือเรื่องของผลวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราควรทราบว่าจะให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาต่อมาและให้ผลในเวลาต่อม า, ต, อมาต่อมาอีก สามประกาศนี้มาประกอบกันตุงฝังเพื่อที่จะอธิบายในเรื่องของกรรม16อย่างเพื่อให้ตุมฝังนั้นเกิดความเข้าใจตามแนวความคิดที่ว่าคิดคิดแบบนี้ประมาณนี้ให้เชื่อลงมือทาเพื่อจะได้เกิดปัญญากุรุบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆแต่ในเขียนอธิบายเรื่องว่าผล ของกรรมเนี่ยแบ่งได้อยู่4หมวดหมวดละสอย่างรวมเป็น16ประการข้อมูลที่จะพูดต่อไปนี้เป็นส่วนที่มาในอัตถกถาอุุบาาจารย์ในรุ่นก่อนๆได้เขียนอธิบายไว้โดยแบ่งเป็น4หมวดคือจำแนกตามหน้าที่ของเขาหน้กกรรมหน้กกรรมนะนกกรรมนะที่ใจผลนะให้ผลนะ ให้ผลเดียให้ผลปัจจุบันต่อมาแล้วต่อมาอีกที่จะไม่ใช่เป็นกรรมเก่าทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ถ้าจะคิดจะคิดได้ระดับไหนเอาคําทั้งหมดที่พูดถึงเนี้ยถ้าเราจะแบ่งมีลักษณะาการแบ่งได้4แบบโอเคีล้วกันใช่ว่าสแบบในการแบ่งแต่ละแบบแบ่งได้4ประเภทแบบแรกถ้าจะแบ่งตามนาที แบ่งตามนาทีก็ได้นี่คือพูดถึงเรื่องผลของกรรนะผลของกรรสองถ้าจะแบ่งแบ่งตามลำดับการให้ผลก็ได้ผลของกรรเนี่ยนะผมจะให้ผลลำดับก่อนหลังหรื อ, อยังไงแบ่งตามลำดับการให้ผลแบ่งแบบที่สองนี้ก็ได้หรือสามแพงในลักษณะเวลาที่จะให้ผลถึงเดี๋ยวจะลงไปดูในตัวอย่าง ตูมฟังจะได้เห็นภาพในะลาดับการให้ผลตามความหนักเบานี่คือแบบที่สองแบบที่สามนี่คือลำดับการให้ผลในตามเวลานะเนื่าไทม์ไลน์มาเป็นตัวแบ่งนี่คือแบ่งประเภทที่สามหรือจะแบ่งแบบที่สี่เนือฐานะของเขาฐานะที่จะนำไปเกิดเป็นแบบยังไงได้ฐานะลักษณะอย่างไหนไหนเราว่ากันไปทีละแบบแต่บฟัง ว่าแบบแรกก่อนที่ว่าโดยหน้าที่หรือ แ, แบ่งตามหน้าที่ของกรรมเนี่ยมีสประเภทข้อแรกนั้นคือกรรมที่นำไปเกิดทําหน้าที่ให้ไปเกิดคือชนะ ก, ะกรรม 2. เป็นลักษณะตามหน้าที่ว่าอุปถัมคือสนับสนุนเนอให้ถ้ากุศลธรรมก็มีพลังมากขึ้นถ้าอกุศลก็มีพลังมากขึ้นตามที่จะสนับสนุนนั้น 3. เข้าไปเบียดเบียนคือตรงกันข้ามกับที่อุปธรรมคือให้มันเบาบางลงโดยทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศลและประเภทที่สี่ที่แบ่งตามหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปตัดรอนคือให้มันสิ้นไปให้มันหมดไปทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลยกตัวอย่างเช่นชนากกรรมคือกรรมที่จะนำไปเกิดนี่เศรษฐีคนหนึ่ง ก็มีความตรรนีจากการที่ให้ทานเอาอาหารใส่บาตรในพระปัจเจกพุทธเจ้เาเราเกิดความตรรนีไอ้ตรงจังหวะที่เขาคิดถึงข้อเนี้ยทาให้เขาไปเกิดเป็นยาจกเป็นขอทานหรือเกิดเป็นสัตว์นรกลักษณะจิตที่เขาคิดไปจังหวะที่เขาจะตายนั้นแล้วมันจึงให้เขาไปเกิดเป็นแบบนั้นนี่ก็เป็นกรรมที่นําไปเกิด หรืออุบาสิกาคนหนึ่งเขาเข้ตอตอกใส่บาตของท่านพระมหาเกสรปะตอนจะตายนึกถึงบุญข้อนี้บุญข้อนี้ก็นําเขาไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงการที่เขานึกถึงบุญข้อนี้แล้วมันให้ผลไปเกิดนี่นี่ก็เรียกว่ากรรมที่นําไปเกิดในรูปแบบการแบ่งตามหน้าที่ประเพณีสองคืออุปถัมภ์ ก็อยาจะมาอธิบายคู้เป็นไปกับตัดร้อนด้วยเลยหรืออุปัฏฐำกับตัดร้อนก็ให้ผลตรงข้ามกันในายที่เป็นอกุศลจะบอทำคมชั่วมาใช่ไหมแล้วก็ทํากรรมดีมาเบาบางผลของกรรมชั่วนั้นเหมือนกับว่าคุณเอาเกลือมาละลายลงในน้ำํำเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปความเข็มก้นลดลงลดลงน้ําที่ใส่ลงไปเนี่ย มันเป็นการลดทอนความเข็มลงถ้าเราจะบอกความเข็มคือทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นคุณก็ทำดีอื่นๆนะอย่างเช่นกรณีพระเจ้าอาชาติศัตรูเงี้ยนะโอ้ข่าปอนี่ต้องไปตกนรกเอาเวจีปล่อยเป็ดแสนล้านชาใช่ปะอเอแต่ ว, ว่าบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยในการสร้างวัดว่าแล้วก็ยังสังคายนาโอ้นี่ทำบุญใหญ่ บุญนั้นก็ไปตัดรอนผลของกรรมชั่วนั้นที่จะให้ไปเกิดในวิีมาณรกลงไปแต่ไปเกิดในนรกกลุมน้อยๆแทนไม่ใหญ่ปานนั้นหรือสนับสนุนก็ได้เช่นกรณีของประช า, าชาติสัตรนูนี่แหละตอ น, น, นแรกก็คิดว่าจะแบบอยากจะขึ้นกรองราชเร็วทีนี้กรรมชั่วที่ท่านสนับสนุน ก็คือการครบเพื่อนชั่วมีพระเทวดาเป็นตน้นพอคบเพื่อนชั่วมีพระเทวดากดยุติใส่เลยว่าก็ยุดครองรัศดรสมบัติ4รัฐบารหาสี่ฆ่าพ่อสกรรมชั่วมันจึงขยายขึ้นมาอีกอย่างนี้ขยายขึ้นมาสนับสนุนลนักษณะกรรมชั่วอะไรขึ้นมานึ่งก็คือไม่ดีก็สนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาหรือในอทางตรงข้ามดีก็สนับสนุนดีกันขึ้นมากรณีของท่านพระอนุรุทธะเป็นต้น ที่ได้กินขนมทิพย์ที่ชื่อว่าขนมไม่มีอ๋อพระว่าท่านได้สร้างกรรมดีในคราวก่อนในการที่ได้สร้างบุญเอาไว้ผลของกรรมดีในคราวนั้นจึงมาสนับสนุนให้ท่านได้กินขนมไม่มีไม่มีทางที่จะไม่ได้กินขนมเออต่อให้ไม่มีก็ยังมีขนมกินสนับสนุนกันมา แต่ในประการที่สีที่ว่ากรตัดรอนลนักษณะกรรมตัดรอนเนี่ยคือจะให้ผลแบบฉับพลัน็คือไอ้อุปธรรมหรือการเบียดเบียนเนี่ยจะค่อยๆให้ผลให้ผลสนับสนุนให้ผลเบียดเบียนไปทีละช้าๆแต่ถ้าลักษณะที่ว่าตัดรอนเลยเนี่ยก็จะมีสภาพอย่างเด็ดขาดไอ้ทีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะเช่นกรณีพ่อแม่ของนางอุตรา ที่คุณพ่อได้ถวายไม้ชามราฟันคุณแม่ได้ใส่บาตรท่านพระสารีบุตรทำให้ตัดรอนความเป็นยาจกความเป็นคนเข็นใจขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้ทันทีกรรมที่ท่านทำแบบนั้นนะ่ะคือมีผลตัดรอนผลของกรรมไม่ดีทุกเวทนาที่ได้รับให้เปลี่ยนแปลง เ, เป็นสุขได้อย่างทันทีนี่ ค, คือดูโดยลักษณะหน้าที่ ว่ามันพลิกผันชีวิตได้ทันทีเลยจากไม่ดีเป็นดีก็ได้หรือจากดีเป็นไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเจ้าพิมพิสารนี้ประดุลจากกษัตริย์นะเอ้าสุดท้ายมาเป็นนักโทษขังคุกอยู่แล้วก็สวรรคตในคุกของตัวเองที่สร้างเอาไวา้เออให้ผลแบบนี้ก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งหังนะว่าไม่ใช่ว่ากรรมเก่า ทั้งหมดนะคือถ้าเราพูดเรื่องนี้มันกลายเป็นการตอกย้ำไปในตัวว่าเอ้ยอะไรก็เกิดจากกรรมเกา่าอะไ ร, ะไรก็เกิดจากกรรมเกา่าผลของการกระทำอย่างนั้นคือมันไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างการที่เราถูกทำรายย้ายกรณีของพระเจ้าพิมพิสารยีเปรตุลถูกทำร้ายนะถูกทำร้ายโดยลูกของตัวเองนะซึ่งนี้เป็นกรรมของพระเจ้ า, าอาชาติศัตรูไงถูกทำร้ายลักษณะของการกระทำนั้นเนี่ย มันมาให้ผลตัดร้อนก็เลยจึงพูดถึงเรื่องของกรรม16นี่โดยที่ไม่ได้จะหมายถึงความที่ว่าเป็นผลของกรรมเก่าโดยส่วนเดียวแต่ก็มีเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอมาเกี่ยวข้องด้วยจากการถูกทำร้ายด้วยการเปลี่ยนแปลงของฤดูการด้วยมันมาปนปนกันเพราะฉะนั้นพอมันมาปนปนกันหลายอย่างเนี่ยเวลาคิดมันมันจึงไหนให้ผลมากให้ผลนั้นมันจึงสับสน แล้วก็เอางี้แล้วกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ่ะผลของกรรมดีมีให้เป็นสุขผลของกรรมชั่วมีให้เป็นทุกข์เมืองดีก็ให้ผลหนักเบาแตกต่างกันไปนะ่แะแต่มันมีปัจจัยเงื่อนไขหลายอย่างครูบาอาจารย์ในรุ่ น, นก่อนก่อนก็พยายามจะอธิบายโดยแบ่งเป็นสี่รูปแบบได้เราใช้สีลักษณะเนี่ยในการแบ่งได้ถ้าจะจำแนก ในการแบ่งแต่ละอย่างให้ออกไปอีกมันก็ได้เหมือนกันเหมือน ท, ที่ท่านระบุไว้ในส่วนที่เป็น ต, ะตะากถาเนี่ยมีประมาณนี้แล้วก็ประชาชนคิดว่าครูบาอาจารย์ที่ได้อธิบายไว้ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของส่วนที่เป็นอภิธรรมก็ตามเรื่องของกรรสิบกอย่างที่มีทั้งตัวอย่างมีทั้งคำอธิบา ย, ยาต่างๆเนี่ยเขาทำไว้ละเอียดพอเพียงที่อยากจะมาเตือนทุกฝั่งคือว่าอย่าไปปักใจลงไปว่ากรรมทั้งหมดนั้นเกิดจากกรรมเก่าทั้งหมด แต่ว่าเกิดจากเหตุปัจจัยรวมได้แปดอย่างอย่างนี้ผลของกรรมเก่าเป็นหนึ่งในแปดอย่างนั้นแล้วที่แบ่งกรรมส6บอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวแต่ดูจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดสุขหรือทุกข์ณนะปัจจุบันนี้ของเราบ่อ น, นะนี่คือลักษณะการแบ่งแบบ ที่หนึ่งคือตามหน้าที่ว่าณขณะนั้นมันจะออกผลมาในหน้าที่อย่างไรอย่างไรไปเกิดหรือสนับสนุนหรือตัดรอนหรือเบียดเบียนในหมดสีประเภททำไมถ้าเราบ่งบอกลักษณะของผลกรรมเนี่โดยตามการลำดับการให้ผล เราจะเอาทั้งสองอย่างนี้มาพูดเปรียบเทียบกันเลยทุกฟังในการแบ่งสงประเภทเอาตามเวลาก่อนดีกว่าโดยตามเวลาคือให้ผลในปัจจุบันทันทีสันใดเดียวนั้นหรือให้ผลในเวลาถัดมาอุปปัชฌ์เนื่บางท่านก็จะแปลว่าชาติหน้าหรือให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอี ก, กคือชาติต่อไปและต่อต่อไปอีกชาติที่สองที่สาเป็นต้นไปหรืออย่างที่สามก็คือเป็นโอโหสิกรรมก็คือกรรมที่ทําแล้ว ในที่นี้ก็คือหมายถึงจะไม่ให้ผลไอ้คําว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมเนี่ยเราก็อามาจากตรงนี้นั่นแหละว่ า, าให้เป็นอโหสิกรรมกันนะคือหมายถึงว่าไม่ให้มันให้ผลนะโอ้ยมันจะให้ผลหรือมันไม่ได้ให้ผลเนี่ยนะเราไม่ได้เป็นตัวกรรําหนดหรอกตัวบังมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นตัวกรรําหนดเห็นปัจจัยคุณสร้างไว้แล้วคุณจะไม่รับผลหรอมันไม่ใช่มันจะให้ผลมันก็เคยผลให้ผลเบาเคยให้ผลบาให้ผลหนําเคยให้ผลหนัก ยังไงหรือที่ไม่ใ้ผลในปัจจุบันเลยเนืนอ่องจากว่าคุณนั่งสมาติอย่างนี้สุขอยู่ในปัจจุบันเลยนะไม่ต้องรอว่าเออฉันจะค่อยไปสุขตอนที่ฉันขึ้นสวรรค์หรือไปอยู่ชั้นบรมที่มันจะให้ผลในปัจจุบันมันให้ได้ประมาณนี้ก็คือเป็นสุขในปัจจุบันโู้แล้วถ้าผลในเวลาชาติหน้านะต่อไปแล้วต่อไปอีกเยโอ้ยิ่งได้ผลมากซึ่งในคําแปลที่ว่าอุปอปัชชะคือเวลาต่อมาเนี่ บางคนก็จะตีความว่าเป็นชาติหน้าไปซึ่งกับประชาวกคิดว่าชาติหน้าหมายถึงว่าเราต้องลงลงไปก่อนแล้วค่อยเกิดใหม่ไงนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้โดยเพราะว่าแค่เรานอนหลับไปตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นชาติต่อไปแล้วว่าเออเป็นเวลาถัดมาถัดมาเช่าคุณอ่านหนังสือตั้งใจเรียนขยันเวลานี้ผลที่ได้เวลาต่อมาก็ให้สอผ่าน เราสอบผ่านแล้วผลดลํารต่อไปต่อไปอีกมีงานทํามีเงินเดือนรหรือว่าคุณเรียนทักษะอันใดอันหนึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ทํางานหาเงินได้เลยทํางานหาเงินได้มีคอนเนคชั่นก็เป็นผลต่อมาและต่อไปอีกจะแบ่งตามลักษณะการให้ผลอย่างนี้ก็ได้หรือบางอย่างเช่น ว, ว่าคุณเรียนความรู้นี้ครบคนนี้เาเกิดแบบ ไม่ได้จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรจากความรู้นั้นหรือการครบกันนั้นมันก็กลายเป็นเอาหสวีกรรมไปคือไม่ได้ผลลงไปนี่คือแบ่งตามเวลาที่จะให้ผลอยากจะมาพูดเปรียบเทียบกับลักษณะลำดับของการให้ผลและลำดับของการให้ผลในประเภทที่หนึ่งนั่นคือกำหนักให้ผลก่อนหรือว่าคารุกรรม อันนี้จะให้ผลก่อนเพื่อนเลยทั้งทางกุศลและอกุศลครุกรรมฝ่ายลบก็คือข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรนันทำสงให้แต่กันทำพระพุทธเจ้าให้่อเลือดเดี๋ยวนั้นที่จะให้เลยก็คือคุณจะไป ม, มีความร้อนใจมีความวุ่นวายใจไม่สบายใจกรรมหนักฝ่ายกุศลคือชายสมาธิทั้ง8ปดคันเขจะให้ผลก่อนเลยเดี๋ยวนั้นเลยเป็นความสุขในใจ หรือถ้าการแบ่งแบบนี้ลักษณะนี้ประเภทที่สองคือให้ผลดั่งลักใกล้ตายเราลองลออกมาจากกรุกรรมให้ผลดั่งลักใกล้ตายอย่างถัดมาประเภทที่3คือให้ผลต่อเนื่องกันไปอาจินกรรมตัวอย่างที่4คือกรรมที่ศักตพทธทําทไปทําไปคือเป็นกรรมที่มีผลหมายถึง power ของเขาเนี่ยน้อยที่สดุด แล้ก็ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจแบบเช่นให้ขอทานให้อาหารศาสตร์หรือว่าบางทีเขามาบอกบุญเนี้อกักแต่ว่าใส่ซองใส่ซองไป10บาทห้าบาทใส่ไปใส่ไปอันนี้ศักแต่ว่ากระทํามันไม่ได้ให้ผลมากหรือถ้าในทางโลกอย่างเช่นว่าคุณเดินเดินไปแล้วก็มียุงมากัดเนี่ก็ตบยุงมันโดยแบบไม่ได้ตั้งใจนะไอ้ที่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาะแต่ทําลงไปแล้วเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ นะให้ผลอยู่แต่ว่าอาจจะเบาบางไม่ใช่ว่าไม่ให้ผลได้ไม่มีส่งนนี้ได้พูดไปแล้วนะในเอพิส od ที่ผ่านมาทีนี้ในรูปแบบการแบ่งทั้งสองลักษณะ น, นี้เนาะว่าแบ่งตามไทม์ไลน์คือเวลาหรือแบ่งตามความหนักเบาหนะว่าไหนหนักหรือใกล้าตายหรือบ่อยๆหรือแบบไม่ได้เจตนาถ้าผู้ฟังจะสังเกตได้ว่า ไอ้คำเก่านี่จริงๆมันเริ่มนับตั้งแต่เมื่อนาทีที่แล้วนะเก็จริงๆเราเมื่อวินาทีที่แล้วนะสมมติว่าเราทําอะไรตอนเนี้ยมันก็จะให้ผลนาทีถัดไปเดือนถัดไปปีถัดไปอยู่แล้วนะ่ะไอ้คําว่ากรคำเก่ามันจึงไม่ได้จะหมายถึงว่าตั้งแต่ชาติที่แล้วนะถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้เนี่ยทุกฝังไอ้คำพูดที่ว่า เอออะไรๆก็เกิดจากกรรมเก่านี่ยมันพอพูดได้ในะท่านผ้ังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าโอ้จริงๆเก่าเนี่ยมันไม่ได้ว่าเก่าถึงใช่ที่แล้วแต่มันเก่าแค่เดี๋ยวนี้เองอีกสักหน่อยเนี่ยเมื่อวานนี้มันก็เก่าแล้วพรุ่งนี้มันก็ใหม่แล้วแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นได้ไม่ถูกหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาปัจจุบันเนี่ยท่านูฟังถ้าเราจะเอาปัจจุบันแล้วบอกว่ามันขึ้นอยู่กับที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หรือเมื่อกี้นี้ มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยไงแต่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราทําดีได้เราทําชั่วได้ดูบ้างพอเราทําดีได้ทําชั่วได้เราคงองได้รับผลซึ่งไม่ใช่หมายความว่าเราทําชั่วมาก่อนแล้วว่าตอนนี้เราปัจจุบันนี้เราจะทําดีไม่ได้คือถ้าเชื่อไปว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่อาอีเดียวมันจะมีที่ตีดไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเราดูไทม์ไลน์การให้ผลคือเรื่องของเวลาหรือความหนักเบาการให้ผล เรือรอมดับของเขาแล้วเราจะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วหรือชาติหน้าแต่มันคือเมื่อกี้นี้หรืออีกสักครู่หนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคือปัจจุบันนี้ที่เขาสอนเรื่องผลว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้เป็นผลของก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้มันก็ต้องให้ผลต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทาตอนนี้ไงตัวฝังมันอยู่ที่ว่าเราทาตอนนี้และในการแบ่ง แบบสุดท้ายทุกผังแบบ่งได้เป็นอีกสี่แบบก็คือฐานะการให้ผลว่าถ้าอากุศลกรรมคือประเภทที่หนึ่งวะก็จะให้ไปเกิดในอบายสีถ้าเป็นลักษณะกรรมที่จะให้ไปเกิดในกา ร, รมาพบก็คือมนุษย์หรือสวรรค์หกชั้นหรือที่จะให้ไปเกิดในรูปปรัพรมคือรู ป, ปาวจรกุศลกรรม หรือจะให้ไปเกิดในอรูปปรมก็คืออรูปปาวจรกุศลธรรมคือสถานที่ที่จะไปเกิดนั้นนี่ถ้าเรากลับไปย้อนไปฟังเมื่อสักครู่ที่บูดึงว่ากรรมที่จะทําหน้าที่ให้ไปเกิดเนี่ยเรไปที่ไหนละ่ะเอาถ้าตรงจุดที่ชนั้นมันไปเกิดเนี่ยเป็นอกุศลก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกชนะกกรรมที่จะทาให้ไปเกิดเนี่ยทำเป็นแบบสมาธิเป็นรูป ก็จะไปเกิดเป็นร่มหรือถ้าเป็นสมาธิแบบอารูปก็จะไปเกิดเป็นอารูปบรมในการแบ่งทั้ง4แบบแบบละสี่ประเภทนี้คือรูปแบบของการแบ่งคร่าวๆเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจว่าโอ้เรื่องที่มันไม่ควรคิดเนี่ยนะถ้าคิดแล้วมันจะปวดหัวเนี่ยนี่แหละมันยังแบ่งได้อีกสแบบคือยังมีรูปแบบการอธิบายปรเด็นะท่านผูฟังว่า16อย่างนี่คือ16อย่างแบบแอบส์ลุด สิบหกอย่างแบบแอบสุดหมายถึงต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีคือมันมีได้แน่นอนดูฝังยิ่งแต่พูดถึงเรื่ององพิธรมเนี่โอย้ยิ่งจะแจกแจงไปอีกเยอะแยะมากมายแล้วไม่ใช่ว่าชนะกากรรมแล้วมันจะไม่มาเป็นโอโหสิกรรมได้แล้วไม่ใช่ว่าไอ้กรรมตัดรอนมันจะมาเป็นกรรหนักไม่ได้กรรหนักบางอย่างมันเป็นผลตัดรอนกันด้วยกันด้วยก็ได้แล้วมันอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนจะเอาลักษณะไหนมาในการพิจารณา โดยรวมแล้วเพื่อความง่ายท่านจึงจบอกดีชั่วใดผลเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราจะลงมือทําเนี่ยคือเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ก็ดีนะแต่การที่ว่าจะไม่เรามีปัญญาเกิดขึ้นและเพื่อความง่ายไม่สับสนในการปฏิบัติก็คือว่าเราปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยตัววังพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงออกแบบ หนทางเส้นทางเนียไว้ที่มีองค์ประกอบ8อย่างยังไงคุณไม่ผิดแน่นอนคุณจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องกรรมสิหเลยหรือบางคนเนี่ยโอ้โหศึกษาเรื่องกรรม16หตามแบบอภิธรรมอย่างลึกซึ้งเลยคุณก็ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้อยู่ดีดูบปล่าลมีความไม่ประมาทอยู่ดี แต่บอว่าเราจะเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะหาทางช่องอะไรที่ทากรรมให้มันไม่ดีแต่ว่าน้อยๆแล้วมันให้ผลไม่มากโอ้คิดอย่างนั้นไม่ได้เลยนั่นคือประมาทเลยเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความไม่ประมาทเพื่อให้เกิดการลงมือทำได้และคกววานี้จะเป็นการจบซีรีส์เรื่องของกรรมในเบื้องต้นนะตวฟังนะแล้วก็ถ้าจะมีเรื่องอื่น อาจจะนำเรื่องของทำกรรมดีได้ผลดีอย่างไรทำไมถึงจะมีพรกซั์มากทำไงถึงจะมีชื่อเสียงแรงต่างๆเหล่านี้คิดว่าเราก็พูดเกินในรายการซ้ำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอาจจะรวบรวมมาในโอกาสต่อไปที่จะนำผลเหล่านั้นมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็จะค่อยว่ากันแต่ว่าในเบื้องต้นในการทำความเข้าใจเรื่องหลักการของกรรมเนี่ยคิดว่าสมบูรณ์ละตมาฟัง ิ่สมบูรณ์ละเหลาท่านบุฟังจะมีข้อสงสัยเสนอแนะหรือคำถามอย่างไรอย่างไรก็สามารถติดต่อกับข้บาพเจ้าได้ในรายการธรรมรับรุณช่วงของใตร้ร่มปุริบทโดยส่งเป็นจดหมายหรือใบสนิยบัตรมาได้ที่ที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาเลขที่431ทั20ถนนประชาราชสาย2 431-20 นทนถนนประชาราสายสองบางซื่อกรุงเทพ1น0 0 0หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ตารวังปัญญา .orgpanya.org นย org, A N y org. ในช่วงของไต่ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับตำรวจังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแตเวลาที่5าถึงหโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุ กระจายสิ่งแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆเพ่อนสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเซ a ร์ชจากคำว่าปัญญาภาวนาหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ตตวงที่ปัญญา o r g p a n y a. o r g รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา